หลับโดยปราะศะจากความฝันใดๆทั้งสิ้นดารินวราฤทธิ์เปิดเปลือกตาขึ้นแล้วก็ต้องรีบปิดลงโดยเร็วเพราะลำแสงของตะวันกล้าสาดลอดใบไม้ลงมาส่องตาพอดีเหมือนไฟฉายแรงสูงที่ใครจ่อลงมาหล่อนเบือนหน้าหลบแสงที่ส่องเป็นลำลงมานั้นการเคลื่อนไหวตัวทำให้รู้สึกว่าพื้นซึ่งร่างกายขดนอนอยู่นี้ไหว ย, ยุวบยาก เหมือนเปลยวนคำถามแรกเกิดขึ้นในสมองฉับพลันอะไรกันนี่รอนอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ในภาวะใดสมองเริ่มทำงานความทรงจำถูกเรียกร้องกลับคืนมาเป็นริ้วระลอกลำดับภาพตามมาเป็นลำดับครั้งแรกมันก็สับสนพร่ามัวก่อนแต่เมื่อค่อยๆรวบรวมสติใคร่ครวญ หล่อนก็จำเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นทั้งหมดได้คุณพระช่วยครั้งสุดท้ายก่อนหมดความรู้สึกไปเหมือนคนต้องยาสลบทหล่อนถูกกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากที่โถมกระแทกลงมาจากหน้าผาเหนือสีสับฉุดกระชากให้หลุดร่วงลงไปจากตำแหน่งลานหินซึ่งทุกคนกำลังชุนละมุนอยู่สาเหตุก็มาจากที่ตัวเองโมแต่เป็นห่วงหีบเครื่องเวชภัณฑ์ โดยโดดเข้าตะครุบไว้พอตัวเองถูกกระชากหลุดลิ้วปลิวไปตามน้ำสติสัมปชัญญะและความรู้สึกทั้งมวลก็ดับวูบสำนึกยามนี้บอกตอนเองได้เพียงอย่างเดียวว่าหล่อนยังไม่ตายพยายามส่งความรู้สึกสำรวจไปตามร่างกายส่วนต่างๆจากศรีรษะจรดปลายเท้า ท, ทั้งที่ยังสงบนิ่งไม่กระดุกกระดิกอยู่เช่นนั้นความรู้ในทางวิชาแพทยศาสตร์และสามัญสำนึกก็บอกได้ในทันทีว่าร่างกายทุกส่วนยังอยู่ในสภาพปกติไม่มีส่วนไหนพิการหรือว่าเจ็บปวดผิดปกติใดๆเลยเว้นไว้แต่ความยอ่อขัดบ้างเพียงเล็กน้อยตามบริเวณแขนขาเท่านั้นแต่ก็ไม่รู้ ว่าขณะนี้หล่อนอยู่ที่ไหนยังไม่กล้าลืมตาในตอนนั้นค่อยๆ ย, ยกมือทั้งสองซึ่งสามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติรู้สึกว่ามันจะไปเกี่ยวพันติดอยู่กับเส้นสายใ ย, ยพืชบางชนิดซึ่งเข้าใจว่าเป็นเส้นฝอยๆย่อยๆของเถา ว, วัลย์แต่มันก็ไม่ถึงกับมัดแขนทั้งสองของหล่อนไว้ไม่ให้ขยับเขยื่อนได้ เพราะสามารถนำแขนหลีกหลบความรกรุงรังนั้นเข้ามาประสานพนมเข้าหากันได้เรื่องอื่นใดยังไม่คิดทั้งสิ้นในขณะนี้สํารวมดวงจิตมั่นสวดมนต์ภาวนาครบสิ้นสามคาดก็ค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้นอีกครั้งเต็มไปด้วยความมั่นใจแล้วพร้อมแล้ว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 ในขณะที่หลอนทดลองเคลื่อนไหวขยับกายแล้วก็จิงดังความรู้สึกครั้งแรกบอกร่างกายของหลอนไม่มีอะไรชำรุดสึกหรอไปเลยนอกจากความเมื่อยขบที่ต้องมานอนคู่อยู่ในลักษณะนั้นนานเท่าไหร่ไม่ทราบเบืบ้องบนเป็นความสูงทะยานของยอดไม้ที่แผ่กิ่งใบปกคลุมเหมือนหลังคาแต่ก็มีช่องโหวบ่บางส่วน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 ก็สามารถขึ้นอยู่ได้ระดับที่หล่อนมาติดค้างอยู่บนกระเช้าเถาวันตําแหน่งนี้สูงกว่าระดับพื้นประมาณห้าหเมตรถ้าวัดจากโคนต้นอันเต็มไปด้วยรากใหญ่โตที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินมีหินที่ขึ้นอยู่เป็นโคตเป็นแง่หรือเป็นแท่นใหญ่น้อยสูงสูงต่ำๆ่ำรอบไปหมดสำหรับพื้นเบื้องล่างทั่วไปบกคลุมไปด้วยใบไม้ สภาพของมันจากสายตาชำนาญที่เคยผ่านมาแล้วเป็นป่าชื้นดงดิบแต่ก็ไม่ถึงกระทึบเกินไปนักราชสกุลสาวนอนลืมตาสำรวจไปรอบกายในสิ่งแวดล้อมอยู่อีกอึดใจใหญ่ก่อนจะค่อยๆพยุงกายขึ้นมานั่งในเปลรึกระเช้าเถาวันนี้ใช่แล้วหล่อนรอดตายจากการจมน้ำ ก็เพราะถูกกระแสะน้าในขณาที่ไหลบาสูงพัดอู้ลงมาซักพามาติดคาอยู่กระซุ้มเถาวัลย์ในระดับสูงและติดคาเป็นเสมือนเบาะรองรับเอาไว้ครั้งเมื่อน้ำพัดผ่านไปอย่างรวดเร็วและมีระดับต่ำลงหล่อนก็เลยค้างอยู่บนนี้แต่ระหว่างที่หลอนถูกพัดลอยและลิ้วมาตามสายน้าที่ไหลแรงลงต่านั้น การที่ร่างกายไม่กระทบเข้ากระลำต้นของต้นไม้หรือแก่งแง่หินแตกหักย่อยยับถึงแก่ชีวิตหรือพิการไปก็ต้องนับว่าเป็นเรื่องฟลุปหรือมิฉะนั้นก็เป็นปาฏิหาริย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเหลือไว้แบบเดียวกับที่กล่าวกันติด ป, ปากว่าคนยังไม่ถึงที่ตายนั่นเองลูกคลำไปที่สร้อยคอ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 รวมทั้งจะเก็ตหนังซึ่งสวมทับชุดเดินป่าอันใช้ในเวลาก่อนนอนตามปกติสภาพของมันเพียงแต่ไม่ได้รูดซิปไว้เท่านั้นดารินยกมือทั้งสองขึ้นลูบใบหน้าแล้วขยี้ตาพร้อมทั้งสำรวจบนส่วนใบหน้าของตนเองไปด้วยไม่มีบาดแผลบนนั้นส่วนจะมีรอยฟกช้ำดำเขียวยังไงนะ้ะไม่ทราบเนื่องจากไม่มีกระจกสองดู รู้สึกแต่เพียงสากเล็กน้อยตามใบหน้าและลำคอนั่นหมายถึงเม็ดทรายละเอียดที่เกาะติดอยู่หลังเบาะเพราะไม่มีเครื่องหลังติดตัวหลอนนึกออกว่ามันไม่ควรจะมีเพราะขณะเกิดเหตุหล่อนไม่ได้ติดเครื่องหลังหรือเป้อยู่กับตัวไร้เพื่อนประจํามือก็เช่นกันหล่อนไม่ได้สะพายไว้ก็คงเหลือเสื้อผ้าที่ติดตัวอยู่ในขณะที่เกิดเหตุเท่านั้น แต่เอวขวาพระเจ้าสโปรดูดรีวอนเวอร์แบบซิงเกิลแอคชั่นจุดสหยังติดอยู่ในซองข้างเอวมันติดตัวหล่อนอยู่ตลอดเวลาแม้ในายามนอนขณะ น, นี้มันก็ไม่ได้หลุดหายไปไหนคำดูเข็มขัดกระสุนรังที่บรรจุกระสุนไว้กับเข็มขัดก็ยังอยู่ครบใช้นิ้วแตะนับไปช้า จากฝั่งขวามือรอบไปทางฝั่งซ้ายรวมแล้วยี่สิบสี่นัดกำลังใจเพิ่มขึ้นอีอกนิดนึงเมื่อคลำพบมีดโบวีขนาดแดนิ้วยังติดอยู่ในซองหนังแขวนติดเข็มขัดอยู่อีกด้านอาวุธหรือหลักประกันของชีวิตของหลอนอยู่กับมีดสั้นและปืนสั้นประจำตัวไม่ถึงกับมือเปล่าเสีทีเดียวส่วนเครื่องช่วยประทังชีพ มันรวมอยู่ในเป้หลังไม่มีเหลืออยู่เลยเพราะหล่อนขาดเป้อันนั้นสำรวจตัวเองต่อไปในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตแบบซิปรูดซีกซ้ายมีบุหรี่ที่ห่อเว้ด้วยพลาสติกอยู่หนึ่งซองเต็มๆพร้อมไลเตอร์แบบซิปโป่กระเป๋าล่างอุตสามีเข็มทิศเล็กๆอยู่หนึ่งอันกระเป๋ากางเกงมีผ้าเช็ดหน้าแบบขนหนูผืนเล็กๆ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 เป็นประจำชนิดลืมทิ้งเลยนี้ถ้าไม่เคยเดินป่ากับบุคคลที่เป็นตัวปัญหาที่สุดของหล่อนในขณะ น, นี้คือรบพินไพรวันหล่อนจะไม่มีวันได้ศึกษาเรียนรู้ได้เลยเขาเป็นผู้สอนหล่อนไว้ตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วหล่อนก็จดจำขึ้นใจแม้แต่บุรีก็ยังต้องห่อผนึกไว้ด้วยพลาสติกเพื่อกันน้ำกันเหงื่อ ในภาวะที่ตนเผชิญอยู่นี้ผลแห่งการหมันจดจำมาจากครูจึงทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งนอกนั้นก็มีลูกไรเฟิลจุดสศูนย์เวเธอร์แม็ก erm ที่ติดรังกระสุนยเย็บอยู่กระอกเสื้อด้านขวาหนัดซึ่งมันคงไม่ให้ประโยชน์อะไรกล่ลอนในเมื่อตัวไรเฟิลเองไม่ได้อยู่กับตัวในขณะนี้ สำรวจเข้าของติดตัวสภาพร่างกายแล้วก็ใช้เวลาอีกพักใหญ่นั่งตรึกนึกความหวาดกลัวแล้วรู้สึกว้าเวที่พัดพรากจากคณะตลอดจนความเป็นห่วงพักพวกและปัญหาต่างๆเปรียบเสมือนมานระจนแผ่ริ้วเป็นละลอกขึ้นมาทรมานความรู้สึกนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนหล่อนคงตกใจขวัญเสียแทบจะเป็นบ้าเสียสติไปแล้ว แต่ขณะ น, นี้ดารินเป็นคนละดารินกับสมัยก่อนหล่อนใช้ความมั่นคงเฉียบขาดในหัวใจเข้าต่อต้านกับสิ่งเหล่านั้นใช้สมองอัญชานฉลาดเป็นอาวุธทางปัญญาเพื่อหาทางแก้ไขคลี่คลายมั่นใจในอาราหารันและสัจจะอันแน่วแน่เป็นสรณะเทิดทูนไว้เหนือศีรษะส่วนฝีมือและความคุ้นเคยกับป่าดง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 เป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อที่ชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อัยมาใช่สิประโยคนี้ครั้งหนึ่ง เขาผู้นั้นเคยกระซิบอยู่ข้างหูปลอบใจหล่อนและบัดนี้กระแสเสียงทุ้มต่ำนั้นก็ยังวี้วแววอยู่ในหูของหล่อนเหมือนตัวเขาจะมาอยู่ใกล้ๆถ้าว่าจะแลเหลียวไปทางไหนมันก็มีแต่ความเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างของไพรทมึนสับปะสิ่งเงียบสงัดไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งสิ้น เหมือนตัวเองตกไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งดารินเริ่มขบปัญหาเฉพาะหน้าต่อไปนี่ตัวเองถูกกระแสน้ำพัดห่างไกลจากตำแหน่งที่พักเดิมมาสักเท่าไหร่นะป่านนี้พักพวกทุกคนอันหมายถึงพี่ชายทั้งสองคนเพื่อนและบริวารที่ร่วมตายมาด้วยทุกคนรวมแล้วอีกสิบห้าชีวิต จะเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนก้มลงมองต่ำไปเบื้องล่างอีกครั้งด้วยอาการสังเกตที่รอบครอบที่สุดเท่าที่จะทำได้มันเป็นบริเวณพื้นเทราตเล็กน้อยมีก้อนหินโผล่ขึ้นมาจากใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่เป็นแห่งๆเ ง, งาตะคุ่มของพุ่มพงที่เล็กบ้างใหญ่บ้างเนินปลวกบางเนินบางขณะเป็นภาพพรา บางขนาดที่ชัดเจนขึ้นมาเพราะแสงสว่างไม่มากนะักแม้จะเป็นเวลากลางวันแสก แ, สกและเมื่อยกนาฬิกาข้อมือเดินป่าขึ้นดูมันก็ยังเดินอยู่เป็นปกติเข็มชี้บอกส1อดนาฬิกาสสนาทีเกือบเที่ยงวันเข้าไปแล้วทั้งกระหายน้ำทั้งหิว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 หล่อนควรจะสงบดูท่าทีสำรวจให้รอบคอบอีกสักระยะหนึ่งก่อนชักปีตสั้นประจำตัวออกจากซองเปิดประตูท้ายโม่ถอดกระสุนที่บรรจุอยู่ทั้งหกนัดออกมาตรวจเนื่องจากมันติดอยู่ในซองจึงมีความชื้นสูงและมีน้ำติดอยู่ในลำกล้องเล็กน้อยแรกจะสกุลสาวสลับน้ำออกชิดกระสุนตะล่นัด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 เสียงมันดังกลังวานมากทีเดียวดารินเช็ตแม้แต่ด้านในของซองปืนเอาออกมาสลัดเพื่อไม่ให้มีน้ำขังอยู่เป็นการกระทำอย่างช้าๆสมองก็ใช้ความคิดไปเรื่อยๆระหนักใจตนเองดีว่าในภาวะนี้ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องรีบร้อนทั้งสิ้น เสร็จสับบรรจุปืนเข้าซองรัดสายให้แน่นตามเดิมแล้วพลิกกายนอนหงายไขวห้างกอดอกนอนมองดูเพดานกิ่งใบไม้ที่คลุมสูงลิบ ล, ลิอยู่เบื้องบนบัดนี้หลอนหลงป่าอยู่โดดเดี่ยวเดียวด้แล้วแต่ก็ไม่น่าจะแปลกอะไรความคิดบอกตัวเอง เพราะเหตุการณ์อย่างนี้หล่อนได้เคยทําใจไว้พร้อมล่วงหน้าก่อนแล้วรู้ล่วงหน้าว่ามันอาจจะมีสักเวลาใดเวลาหนึ่งที่ตนต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แล้วสิ่งที่คิดไว้นั้นมันก็มาถึงแล้วคือเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ยุค ก, ก่อนโ น, น้นแม้หล่อนจะหลงป่าก็หลงอยู่กับเขาผู้นั้น หลักประกันอันมั่นคงที่สุดของหัวใจและชีวิตไม่มีอะไรที่จะต้องวาดวิตกพรั่นพึงเลยแต่ตอนนี้ไม่มีเขาเสแล้วนอกจากพระปืนสั้นในวงกระสุนจำกัดแล้วก็สติสัมปชัญญะความกล้าหาญเข้มแข็งของตนเองเท่านั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมีได้มากมายสักแค่ไหนแต่ก็ต้องลองดูกันละ ฉันไม่เสียดายชีวิตฉันไม่โอดครวนวันไหวต่อเคราะห์กรรมที่ได้รับอยู่ในขณะนี้เลยฉันได้เตรียมกายเตรียมใจที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากมันไว้ก่อนแล้วในการปรงใจติดตามเธอมาในครั้งนี้เพราะฉันรักเธอ ปราศจากเธอแล้วฉันจะมีะมชีวิตย อ, อยู่ต่อไปทำไมรพิขนขณะนี้ขณะนี้เธออยู่ที่ไหนจ ะ, จ ะ, ฉะเฉลียวคิดรู้บ้างไหมว่าดารินกำลังต ก, กงอยู่ในสภาพเช่นไรพอคิดคำนึงมาถึงประโยคสุดท้ายนี้ ก็สุดที่จะอดกลั้นน้ําตาไว้ต่อไปได้ดารินวราฤทธิ์ยกมือขึ้นปิดหน้าสะอื้นเบาๆนายหญิงครับนายหญิงของแง่ทายครับนายหญิงอย่าร้องไห้สิครั บ, สรบเสียงทุ้มลึกแวววสู่โสดประสาทฤร์ิจะจากสมอง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 รวมไว้เพื่อต่อสู้กระทุกสิ่งทุกอย่างครับอย่าท้อแท้ครับมันถึงเวลาเคราะห์กรรมหนักที่สุดแล้วของนายหญิงแล้วนายหญิงก็รู้ตัวล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วนี่ครับเงาทา ย, ายฉันไม่ได้หวั่นไหวพรั่งพึงต่อความยากแค้นเลือดตากระเด็นนี่หรอกแต่ฉันน้อยใจเขา เขาไม่ได้รักฉันเหมือนอย่างที่ฉันรักเขาเลยเขาเขาทอดทิ้งฉันไปนายหญิงครับนายหญิงอย่าเข้าใจผิดสิครับอย่าคิดอะไรให้ไข้เขวด้วยอารมณ์ผู้กองรักนายหญิงนะครับรักและก็ซื่อสัตย์ต่อนายหญิงอยูจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตนะครับ ทัาต่างหากแล้วครับที่ทําให้เขาต้องจากไปทิ้งใจรักทั้งหมดไว้เบื้องหลังแง่ท า, ายครับผมขณะนี้เขาอยู่ไหนละ่ะแง่ท า, ายผู้กองอยู่ในภาวะสมสารยากแค้น ปราศจากที่หวังที่พึ่งอยู่กลางป่าครับก็ทุกขเวทนาไม่น้อยไปกว่านายหญิงขณะนี้หรอกระหว่างนายหญิงกับผู้กองระพินขณะ น, นี้ไม่มีใครสุขหรือทุกข์มากไปกว่าหรอกครับฉันจะได้พบกับเขาอีกไหมแง้ส า, ายบางทีครับ บางทีบอกให้ชัดสิแงซายเมื่อไหร่ยังไงฉันจะต้องเลือดตากระเด็นอย่างนี้อีกนานแค่ไหนเมื่อถึงเวลาครับนายหญิงเมื่อต่างฝ่ายต่างใช้กรรมเก่าหมดสิ้ น, น, นอาจจะเป็นพบนี้อาจจะเป็นพพหน้า แม้แต่อรหันต์เจ้าก็ไม่อาจจะบอกได้ครับนี่นี่แปลว่าแปลว่าฉันหรือเขาอาจจะตายซะก่อนในชาตินี้ใช่ไหมนายหญิงครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเอาแต่ทอดแท้สิ้นหวังชีวิตนี้ก็จะสิ้นลงซะก่อน แข็งใจบากบันต่อสู้ต่อไปนะครับนายหญิงลมหายใจยังมีความหวังก็ยังอยู่สิครับนี่แง้ทายผิดไหมที่ฉันมาตามเขาในครั้งนี้อ ไ, ไม่ผิดครับนายหญิงไม่ผิดครับแล้วแล้วลผิดไหมที่เขาหนีจากฉันมาซะก่อน ก็ไม่ผิดอีกแล้วครับนี่แงทรายถ้าฉันเปิดตาออกเดี๋ยวนี้ฉันจะเห็นเธอไหมเนี่ยถ้าเห็นก็แปลว่าเป็นภาพหลอนสายตานายหญิงหลอกตัวเองไม่ใช่ผมหรอกครับผมไม่มีร่างกายตัวตนอยู่ใกล้นายหญิงขนาดนี้ครับ งที่เธอพูดกับฉันอยู่เนี่ยเสียงมาได้ยังไงมาจากเซนในสมองจากอนุสติของนายหญิงเองแล้วก็จากเจตนาจากดวงจิตของผมด้วยครับเอาไว้ให้ตะวันตกดินซะก่อนนถอะครับให้อารมณ์ของนายหญิงกำลังตกอยู่ในห่วงระวังบางที บางทีนายหญิงอาจจะเห็นเงาสายได้บ้างครับแต่อย่าพยายามไคว้คว้าแสวงหานะครับเพราะมันเป็นแค่ภาพมายาเท่านั้นครับเอาละเอาละฉันฉันพอจะเข้าใจละเงาสายว่าแต่ฉันควรจะทํำยังไงต่อไปในภาวะนี้นายหญิงครับ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีลราต่อนะครับขณะนี้นายหญิงตกอยู่ท่ามกลางมหันตะไครรอบด้านตามลําทางควบคุมสติให้มั่นคงเข้าไว้ครับอย่าประมาทผมมาเตือนนายหญิงเพียงแค่นี้ล่ะครับลาก่อนนะครับลาก่อนครับขาดเสียงนั้นหลอนก็ไม่ได้ยินเสียงใดๆของแง่ทายอีกเลย ค่อยๆเปิดช่องนิ้วที่ปิดตาออกก็มองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากความเงียบสงัดของพงไพรอันน่าสะพึงกลัวดารินเอาฝ่ามือเช็ดน้ำตาพยายามปรับระดับจิตใจใหม่หล่อนกำลังมองหาลู่ทางที่จะลงไปสู่พื้นดินเบื้องล่างซึ่งมันก็ไม่น่าจะลำบากอะไรนะัก เพราะมีเส้นเถาวันสังเกตดูลักษณะจะเหนียวแน่นเส้นขนาดข้อมือห้อยระโยงระยางจากคาคบเหนือสีรษะของหล่อนทอดผ่านตำแหน่งที่เป็นลักษณะกระเช้าอันหล่อนนอนอยู่ในขณะ น, นี้ลงไประอยู่ใกล้พื้นดินข้างล่างหล่อนอาจจะอาศัยไตรูตัวลงไปตามเส้นเถาวันเหล่านั้นได้เพราะมันก็ไม่ได้สูงอะไรนะักบัดดล ูตดแววเสียงย่ำใบไม้เคลื่อนอยู่เบื้องล่างแม้จะเบาสักขนาดไหนก็ตามแต่ในความเงียบลอนสำเนีกได้ชัดครั้งแรกนึกว่าหูอาจจะฝาดไปอีกแต่แล้วเมื่อเงียบสดับก็จับได้แน่นอนเสียงนั้นเดินเดินหยุดหยุด อาการน่าจะเป็นย่องซะมากกว่าราชสกุลสาวพลิกกายอย่างแผ่วเบาความหน้าลงดูทางเบื้องล่างแล้วหล่อนก็เบิกตาจ้องอย่างพินิษให้ละเอียดที่สุดเพื่อแน่ใจว่าสายตาไม่ฝาดหรือสร้างภาพขึ้นเองแม้ความสว่างจะไม่มากนะักมันก็พอจะมองเห็นอะไรได้ถ น, นัดพอสมควร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 ชายขาดรุ่งริ่งโดยพันเอวที่คอดเกี่วไว้ชิ้นเดียวนอกนั้นเปลือยตลอดเห็นสวงอกงอกงามตั้งชูชันใบหน้าคมเข้มจัดอยู่ในเกณฑ์งามพอสมควรทีเดียวสำหรับมนุษย์ตามป่าดอยผมยาวจรดแผ่นหลังเป็นกระเซิงเล็กน้อยสีกซ้ายเหนือหู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 และเท้าที่เหยียบใบไม้แห้งก็ชุ่มน้ำดังสวบสวบฟังออกชัดหูยืนจากตำแหน่งที่ดารินอยู่บนกระชเช้าเถาวันเบื้องสูงเฉียงกันราวหกสิบองศานางชาวป่าที่โผล่ออกมาอย่างลึกลับนั่นก็หยุดยืนนิ่งลงหน้ายัางเงยศบตาหลอนอยู่เช่นนั้นหม่อมราชวงศ์สาวผู้หลงป่า ขยี้ตาแรงๆสองสามครั้งแล้วเบิกจ้องลงไปอีกภาพนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็สาวสวยรูปร่างงามในอาพร น, น้อยชิ้นประดับช่อเอื้องช้างแดงคนเดิมนั่นแหละใบหน้าหมดจดนั้นแลดูเป็นทุกข์เศร้าหมองแล้วเสียงพูดเป็นภาษาไทยแปลงๆเพียเพ้ยนๆเหมือนพวกบ้านป่าทั้งหลาย ก็แววขึ้นมาว่าแม่นายน้ำป่าเมื่อคืนซัดแม่นายขึ้นไปติดอยู่บนพงโนนใชก้าดารินขมวดคิ้วสำเนียงนั้นอ่อนโยนสุภาพและเป็นปกติธรรมดาที่สุดไม่ได้โหยหวนเยือกเย็นอะไรจนทำให้คิดไปว่า ไม่น่าจะเป็นเสียงของมนุษย์ธรรมดาไปเลยก็เป็นเสียงของสาวชาวป่าที่พูดทักทายธรรมดาธรรมดาชัดๆด้วยไม้ตรีใช่แล้วเจ้ามาจากไหนล่ะเนี่ยขณะที่ตอบลงไปดารินก็พยายามมองที่ดวงตาคู่นั้นบังเอิญมันบังเงาอยู่แต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรผิดแปลก ถ่ามีหมู่บ้านอยู่ไม่ห่างทางน้ำพัดนี่ไปทางเหนือเดินแค่เหนื่อยก็ถึงอยู่กับพ่อเท่าแม่เท่าน้องอีกคนเมื่อคืนน้ำป่าซัดพ่อแม่น้องหายไปหมดเพิงที่อาศัยก็พังลอยตามน้ำไปขาเดินตามหาพ่อแม่น้องเห็นแม่นายขึ้นไปติดอยู่บนกิ่งเครือเถานั่น แม่นายคงหลงกับพวกขาก็หลงกับพ่อแม่กับน้องเดินมาปะแม่นายเขาพอดีนี่แถวนี้มีบ้านคนด้วยเหรอดารินถามอย่างตื่นตื่นนางนั่นพยักหน้าลงหึกนึง่งบอกด้วยภาษาซื่อๆตามภาษาชาวโดงก็มีมั่งน้อยๆละแม่นาย พวกข้าเป็นกระรางปนก็ต้องเหลืองหนีจากหมู่บ้านหลังเขานู่นมาอยู่กันน้อยๆพวกกระเรียงที่อยู่กันมากๆไม่ชอบพวกข้าไม่ให้อยู่ร่วมด้วยมันรังแกไล่ข้าขับไล่พวกข้าให้พ้นๆออกมาต้องเข้ามาอยู่กันในดงลึกๆแถวนี้น้ำพัดเมื่อคืนพ่อแม่ น้องข้าคงตายกันหมดละเหลือข้าคนเดียวเกาะต้นไม้ไว้ได้เห็นแม่นายถูกนางพัดเหมือนข้าก็ดีใจแม่นายลงมาเตอะแล้วแม่นายจะไปไหนข้าก็จะตามไปรับใช้แม่นายด้วยตัวคนเดียวอยู่ไม่ได้ในดงลึกนี่ เจ้าใจข้าลงไปจากพงเถาวันนี่เหรอแม่นายติดอยู่บนพงนั่นมาตลอดคืนไม่หิวเหรอในดงริมหนองใกล้ๆนี่มีดงกล้วยข้าจะหาอาหารให้แม่นายก่อนแม่นายพลัดหลงคงหิวเนอะน้วเจ้าล่ะเจ้าหิวไหมข้าก็หิว เจ้าชื่ออะไรล่ะพ่อแม่เรียกข้าว่านังเซอแต่ข้าว่าเจ้าไม่เส้อหรอกนะฉลาดใะมากกว่าดารินบอกยิ้มยิ้มรู้สึกดีใจที่ได้เพื่อนเอื้อมมือคว้าเถาวันขนาดข้อมือเส้นหนึ่งทำท่าเหมือนจะโหนโรยตัวลงไปในระหว่างที่นางนั่น ยืนแงนมองดูอยู่อย่างสงบเงียมแต่แล้วเหมือนจะมีอะไรสกิดเตือนในสมองในป่าภาพลวงตาเกิดขึ้นเสมอนะอย่าเพิ่งแน่ใจอะไรจนกว่าจะทดสอบซะก่อนจนกว่าจะแน่ใจแล้วสิ่งที่จะทดสอบที่ดีที่สุดก็คือไฟใช่แล้ว รพินไพรวันเคยพร่ำเตือนหล่อนไว้นักหนาและบัดนี้ประโยคนั้นก็แววขึ้นมาอีกราชสะกุลสาวชะงักควักบุหรี่ออกมาจุดสูบด้วยซิปโป้อัดควันหนักหน่วงนางนั้นยังแหงนมองดูเฉยดารินสูบสองสามครั้งจนไฟลุกแดงติดปลายบุหรี่ส่งควันกลุ่นรอนดีดลงไปทันที มันตกลงห่างจากนางชาวป่าสาวเอวบางคนนั้นแค่สองศอกเอาละนางเซไหนลองหยิบยาสูบที่ข้าทำตกไปนั่นขึ้นมาหน่อยสิแล้วลองสูบให้ข้าดูหน่อยสักอะไรานางชาวป่ารูปสวยยืนแงนเธอมองดูหล่อนเฉยไม่ขยับเขยื้อนใดๆทั้งสิ้น เหมือนจะไม่ได้ยินคำสั่งของหล่อนหรือมิฉะนั้นก็ฟังไม่เข้าใจอันดูผิดประหลาดไปจากการที่เคยพูดโต้ตอบกันรู้เรื่องเป็นอย่างดีเมื่อหยกยกนี่ดารินขมวดคิ้วจ้องภาพยังคงเหมือนเดิมกับที่สายตาของหล่อนเห็นโดยไม่เปลี่ยนแปลงมือของราชสกุลสาวเริ่มแตกที่ด้ามปืนสั้นประจำตัวอันเหลือเป็นอาวุธหยุกระบอกเดียว นางนกซิงเกิลในขณะที่ดึงออกมาช้าๆแล้วหล่อนก็สั่งลงไปอีกด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมนางเอหยิบยาสูบนั่นขึ้นม า, ม า, มาได้ยินที่ข้าสาั่งไหมหยิบยาสูบขึ้นมาหญิงสาวชาวดงผู้ปรากฏกายและมาพูจากรหลอนใต้ต้นไม้อย่างลึกลับ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 พร้อมกับประกาศช้าๆขึ้นอีกครั้งเอาละไม่ว่าเจ้าจะเป็นอะไรก็ตามทีเราขอแผ่เมตตาแผ่อุทิศส่วนกุศลผลบุญทานที่เราเคยได้ประกอบไว้แล้วนั้นให้แก่จเจ้าจงไปสเสเถิดไปซะเราเพียงแต่พบ แล้วก็จากกันด้วยดีเถอะอย่าให้ต้องมีเวรต่อเนื่องแก่กันเลยไปเถอะนางผู้นั้นมีอาการเหมือนไม่ยินยนต่อคำพูดของหล่อนแต่ค่อยๆสซุดตัวลงนั่งยองๆกับพื้นไม่ก้มหลบไม่เมินไปทางอื่นแต่แง้นมองจ้องอยู่เช่นนั้น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 จำไว้นะครับคุณหญิงเสียงที่เคยพร่ำเตือนสั่งสอนของเขาผู้นั้นแว่วมาอีกในจิ ต, ใ, จตใต้สำนึกคุณหญิงจำไว้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายหรืออะไรก็ตามครับถ้าผเผชิญหน้ากับเราหากเราส่งกระแสจิตแผ่เมตตาให้แล้วมันยังไม่ยอมผลักจากไป ก็แปลว่ามันเอาเราแน่จงแผ่เมตตามันด้วยลูกปืนครับเพื่อให้มันไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีกว่ามิฉะนั้นเราจะเคราะห์ร้ายดารินคุมสติมั่นอีกครั้งแต่ไม่วายกายสั่นน้อยๆพยายามแยกความรู้สึกกระสายตาออกจากกันแต่จะแยกเท่าไหร่ มันก็แยกไม่ออกอยู่นั่นเองร่างของมนุษย์สาวน้อยชาวไพร ย, ยังปรากฏเด่นอยู่เท่าแล้วเท่ารอดนี่นางเซอะถ้าเจ้าเข้าใจในสิ่งที่ข้าพูดและเจ้าไม่ต้องการจะหยิบยาสูบที่ข้าโยนลงไปนั่ น, น, นก็จงพูดขึ้นอีกสิสสสพูดอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการจะพูดน่ะ นางพูนแจ้งนามตัวเองว่าเซมีอาการเหมือนจะกลายเป็นใบ้ไปซะและ้วไม่ยอมตอบคำถามหลอนอีกเลยมือทั้งสองเริ่มค่อยๆวางลงแตะกับพื้นร่างกายไหวโยกเล็กน้อยแล้วค่อยๆย่อตัวมอบต่ำลงไปอีกในสภาพที่ดูแล้วผิดปกติผิดวิกลออกไป เสียงจอมพรานผู้เป็นครูแวววเตือนมาอีกคุณหญิงครับจงสังเกตจุดเด่นในร่างกายของมันถ้ามันถือกระบุงถือสิ่งของมาด้วยหรือมีอะไรที่ดูแล้วเป็นจุดที่เห็นเด่นชัดครับนั่นคือตำแหน่งที่จะต้องวางกระสุนครับ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 แล้วลั่นไกลทันทีมันก็ดูเหมือ น, อนเสียงกระหึ่มที่สวนขึ้นพร้อมกันแต่เสียงอันน่าวาสยองนั้นก็ถูกกลบเสียอย่างหมดสิน้นด้วยกำปนานระเบิดของกระสุนปืนสั้นแรงสูงอันแผดแหลมกึกก้องชนิดป่าแตกในความเงียบสงัดเช่นนี้มันดังสะเทือนเลื่อนลั่นทีเดียวภาพต่อไปจากสายตาที่ยังเบิกโพรงจ้องดาริน หลนลำดับขั้นตอนไม่ถูกรู้สึกแต่เพียงว่ากระเช้าเถาวันที่ตนเองขึ้นมาประดิษฐ์สถานอยู่โดยไม่ตั้งใจถูกอะไรจากเบื้องล่างพุ่งเข้ามากระแทกจนไหวโยนตัวขึ้นร่างของหลอนแทบจะหลุดร่วงลงไปเพราะแรงกระแทกนั้นและเจ้าสิ่งที่พุ่งกระโจนขึ้นมาก็หมุนพลิกกลับหลนคล่อมลงไปยังพื้นเบื้องล่างตามเดิมคราวนี้มันดิน้นหมุนเป็นวงกลม เศษกิ่งและใบไม้ที่ทับถมอยู่กับพื้นแช่ชื้นนั้นกระจายโครงครามเพราะแรงเวียงดิ้นอย่างรุนแรงขอตั้งตัวได้ถนัดอีกครั้งดาริน ง, ง้างน ก, กรลิกนเป็นงัดที่สองเพื่อที่จะซังไปยังเป้าหมายเดิมแต่นั่นดูเหมือนจะไม่จำเป็นซะแล้วเพราะร่างยาวเหยียดใหญ่โตขนาดกระสอบเข้าสารสองกระสอบมาเรียงต่อกันโดยไม่นับส่วนหางอันยาวเหยียด บัตรนี้หยุดไปการดิ้นหมุนปัดลงแล้วมีแต่ขาทั้งสี่ที่เหยียดเกรงสันพลิ้วนอนตะแคงเลือดฟูมออกมาทางปากที่หน้าผากระหว่างดวงตาทั้งสองก็เป็นตำแหน่งที่เลือดกําลังทะลักเป็นลิ่มผ ล, ลักออกมาจากรูกระสุนซึ่งดูเหมือนจะมีช่องทางออกบนต้นคอด้านหลังลายพาดกลอนขนาดใหญ่ ที่ริ้วทางของผิวหนังมันจางจนเกือบจะเป็นสีเหลืองฟางทั้งตัวอย่างที่หล่อนเคยเรียนรู้มาจากระพินว่าไอ้โครงที่แก่มากๆจนลายแทบจะหมดแล้วเช่นนี้ชาวป่าเรียกกันว่าสางหนึ่งไม่มีภาพของสาวน้อยชาวป่าที่ชื่อนางเซะเหลืออยู่ให้เห็นอีก ถ้าจะมีก็ซากของเสือใหญ่ตัวนั้นซึ่งบัดนี้ขาที่สั่นพริ้วกระตุกอยู่เริ่มชาลงเป็นลำดักแล้วในที่สุดชั่วอึดใจใหญ่ของการตะลึงจ้องมองทั้งร่างของมันก็สงบนิ่งไม่กระดุกกระดิกอีกต่อไปมีแต่เลือดเท่านั้นที่ยังไหลรินอยู่ไม่ขาดสายนองไปกับพื้น ใบไม้ตำแหน่งที่มันนอนอยู่ปากอ้าคางแลเห็นเขี้ยวเหลืองอ้อยดุนขนาดหัวแม่มือยาวกว่าสององคุลีดารินถอนใจเฮือกขยี้ตาอีกครั้งพร้อมทั้งจ้องเพื่อให้แน่ใจคราวนี้ไม่ผิดแน่เสือโคร่งใหญ่จริงๆนั่นแหละถ้าไม่ใช่เพราะความแก่ของมันอย่างที่ชาวป่าบอกไว้ ก็อาจจะเป็นอีกพันหนึ่งซึ่งริ้วทางดำของมันไม่ปรากฏชัดนะักจะมีก็แต่พื้นสีเหลืองจางๆเหมือนฟางซะมากกว่ารอนลดนกปืนซิงเกิลแอคชั่นลงช้าๆกระสุนนัดเดียวที่จ้องเล็งไปยังตำแหน่งที่เห็นทัดช่อเดชางแดงเป็นกระสุนนัดเฉียบขาดเพราะตัดเข้ากลางสมองพอดี หล่อนไม่แน่ใจว่ายิงก่อนหรือมันกระโจนขึ้นมาก่อนหรือว่าพร้อมกันพอดีราชสกุลสาวเอามือคลำไปที่พระเครื่องรางประจำตัวแล้วจบขึ้นบูชาจากนั้นก็สงบใจจุดบุรีขึ้นมาอีกม้วนหนึ่งนั่งสูบมองดูซากเสือใหญ่ที่กลายร่างมาเป็นสมิงเพื่อล่อให้หล่อนลงไปสู่มรณะจากกรงเขี้ยวเล็บของมัน อกสั่นเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับขวัญแขวนอะไรนะเพราะเคยชินมาก่อนแล้วปรับความรู้สึกให้เป็นปกติไม่ยินดียินร้ายอะไรทั้งสิ้นสูบบุหรี่ช้าๆฆ่าวเวลาตาก็จับมองดูทราบที่นอนตะแคงเหยียดยาวอยู่นั้นเพื่อสังเกตดูว่ามันจะมีฤิ์เดชขึ้นมาอีกหรือไม่หรือว่าจะมีภาพลวงตา ย, ยังไงปรากฏขึ้นอีกต่อไป บุรีหมดตัวไม่มีวีแววของอะไรปรากฏขึ้นอีกเลยเสือสมิงตัวนั้นตายสนิทแน่นอนเพราะก้นบุรีที่หล่อนโยนลงไปตกลงบนกลางลำตัวของมันส่งควันกลุ่นก็หาทำให้มันเกิดความรู้สึกอย่างใดทั้งสิน้นเวลาผ่านพ้นไปอีกห้านาทีเต็มเต็มเสียงปืนที่หลอนยิงเสือสมิงตัวนั้นดังมากถ้าหากว่าพักพวกของหลอนอยู่ในละแวกใกล้เคียง จะต้องได้ยินและคงยิงปืนเป็นสัญญาณตอบมาให้ได้ยินบ้างแล้วแต่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างคงเงียบอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าน้ําได้พัดพาหล่อนมาไกลจากพวกนั้นมากทีเดียวหรือมิฉะนั้นก็มีหุบเขาบังอยู่เพราะฉะนั้นก็ไร้ประโยชน์ในการที่หล่อนจะยิงปืนเรียกขึ้นอีกให้มันเปลืองกระสุนรวบรวมกําลังกาย กำลังใจแล้วหล่อนก็พยุงกายขึ้นเกาะสายเถาวันเคืองอยู่ใกล้มือซึ่งทอดยาวลงไปคว้าไว้มันจากนั้นก็โหนโรยตัวลงไปอย่างระมัดระวังจนกระทั่งเท้าเหยียบถึงพื้นซึ่งน้ำหนักตัวทำให้จมลงไปบนพื้นใบไม้หล่นอันหมักหมมมานับการเวลาไม่ได้ซึ่งบัดนี้ชุ่มน้ำเกือบจะถึงขอบท็อปที่สวนอยู่ เสือใหญ่ผีตายหงสิงตัวนั้นถูกกระสุนปืนกลางหน้าผากจริงๆแต่ดารินไม่กล้าเข้าไปสำรวจใกล้ตัวมันนักเพราะแหล่หินเห็ดตามตัวของมันเต็มไปหมดมหมดเว้นกันแค่นี้นะชาติก่อนนี่เจ้าทำฆ่าไว้ก่อนชาตินี้ก็เลยต้องมาใช้กรรมหล่นพึม ร, รมแล้วหมุนตัวสำรวจไปรอบๆ จากนั้นก็ไต่ขึ้นไปเหยียบยืนอยู่ตามแง่หินที่โผล่พ้นดินซึ่งสะดวกในการยืนหรือเคลื่อนไหวมากกว่าที่จะเดินลุยไปตามพื้นอันทับถมไปด้วยใบไม้บึงยัดใส่ซองข้างเอวตามเดิมภายหลังบรรจุนัดใหม่เพิ่มเติมลงไปจากนัดที่ยิงไปแล้วให้ครบเต็มอัตราหนัดตามเดิมมือขวาถือมีดโบวีตัดได้ไม้สดลำตรง ขนาดข้อมือของหล่อนมาได้หนึ่งต้นลิดกิ่งออกแล้วสับปลายให้แหลมเป็นปากฉลามแทนหอไว้พลิษปฏิพานของหล่อนในยามนี้แต่ว่าไปก็ล้วนได้มาจากการทร่ำสอนของระพินทั้งสิ้นอย่างน้อยไม้ไปลายแหลมอันมีขนาดพอเหมาะมือท่อนนี้ก็จะให้ประโยชน์แก่หล่อนพอสมควรดีกว่ามือเปล่าๆหรือมีดที่สั้นเกินไป มันใช้ได้ทั้งการทิ่มแทงตียันหรือแย่อย่างสภาพของพื้นซึ่งหล่อนจะเดินไปและก็ประโยชน์อื่นๆ อ, อีกสารพัดสำรวจดูทิศทางน้ำที่พัดไหลลงมาเมื่อคืนซึ่งมองเห็นอยู่ชัดว่ามันพัดบาลอนปริวมาทางตะวันออกเฉียงเหนือวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำได้ก็คือเดินย้อนต้นน้ำหรือสวนทางน้าไหลขึ้นไป ฝูงทากตามพื้นและกิ่งพงไม้เตี้ยชูสลอนราวกะเรดา้าหล่อนใช้บุหรี่แกะตัวยาเส้นซึ่งถึงแม้จะเบาบางกว่ายาฉุนที่ชาวป่าใช้แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรซะเลยนำมาขยี้กะน้ำที่พอจะวักหาได้จากการใช้มือขุดพื้นลงไปข้างล่างบนใบไม้ที่ทับถมอยู่แล้วฉโลมทาทั่วไปทั้งแขนขา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 ทที่เคยผ่านมาแล้วเท่านั้นจะอยู่หรือตายจะทุกข์ยากแสนเข็ญเช่นไรปรงใจว่าไม่อาทร อ, อีกแล้วระหนักแน่ว่าตนเองคงสร้างบาปกรรมไว้มากพอแรงนิฉะนั้นก็คงไม่มาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ด้วยประสาทสัมผัสของพรานไพรด้วยสติปัญญาทั้งหมดดารินเริ่มออกเดินทางทันที โดยไตยส่สวนขึ้นไปยังแนวน้ำที่ไหลพัดขึ้นมาบางครั้งจำเป็นจะต้องลุยไปบนพื้นใบไม้เปือยุ่ยและลึกแค่เขา่าบางครั้งก็ได้แนวหินที่จะปีนเลาะขึ้นไปสมสารกระเซาะกระเซิงอย่างน่าสงสารแต่ก็คล่องตัวและทรหดสุดใจขาดดิ่งโดยตั้งใจไว้ว่าหล่อนจะทดลองยิงปืนขึ้นหนึ่งนัดต่อหนึ่งชั่วโมงของการเคลื่อนที่ เผื่อว่าจะได้ยินเสียงยิงตอบรับมาจากพรรคพวกบ้างหากพวกนั้นได้ยินทั้งๆ ท, ท, ที่ก็ยังไม่ทราบว่าพวกนั้นยังรวมหมู่กันอยู่ครบหรือต่างแตกแยกเพราะกระแสน้ำพัดออกไปกี่พวกทิทางใดบ้างอย่างน้อยให้พบใครในหมู่พวกตนสักคนหนึ่งก็ยังดีเมื่อสายตาเริ่มเคยชินหล่อนก็พอจะมองเห็นอะไรได้ถนัดพอสมควร ในระยะห่าง25ถึง30เมตรหางไม่มีต้นไม้หรือก้อนหินบังอากาศชื้นเต็มบริ้วกลิ่นอับของใบไม้เน่าและพืชพ่าณบางชนิดเริ่มอ้าวระอุขึ้นตามลำดับดารินบุกบันไปสุดแต่จะเห็นทางไหนสะดวกเหงื่อส่งกายเหน็ดเหนื่ อ, ย, อยทอรมานแทบขาดใจแต่ไม่มีการย่อท้อ ตลอดทั้งดงดิบที่หลอนซัดเซพเนจรมาเงียบกริบไม่มีร่องรอยของสิงสาราสัตว์ใดๆให้เห็นแม้แต่ข้างหรือนกสักตัวจะมีก็แต่พวกทากและบุ่งหน้อนชนิดเรืองแสงในตัวของมันเองซึ่งก็พยายามหลีกเลี่ยงพยายามจะเข้าหาแหล่งน้ำไหลอันเชื่อว่าเป็นสายทานเดียวกันกับที่เคยพักแรมอยู่ด้านบนก่อนน้าพัดลงมาแต่ก็หาไม่พบ เหนื่อยมากๆเข้าก็สุดหววลงไปนั่งพักเสี้ทีหนึ่งพอคลายเหนื่อยก็สมสานตะเกียดตะกายต่อไปใบหน้าเกาะพราวไปด้วยเหงื่อเสื้อผ้าที่เคาะที่ขาดอยู่ก่อนแล้วบัดนี้แทบจะเรียกได้ว่ากระรุ่งกะริ่งเพราะกิ่งไม้และแง่หินเกี่ยวหนึ่งชั่วโมงผ่านไปหลอนยิงปืนสั้นขึ้นมาอีกหนึ่งนะัด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 ไม่มีเสียงใดๆจะตอบหลอนมาบางขณะหลอนอยากจะตะโกนเรียกนามระพินแต่สติเตือนว่ามันไรประโยชน์เขาคงไม่โผล่มาให้หลอนหินแน่นอนเว้นแต่จะเกิดภาพหลอนขึ้นอีกอยากจะเรียกใครต่อใครอีกหลายคนแต่คงจะคอแตกซะเปล่าขนาดเสียงปืนออกสนั่นลั่นป่า ยังไม่มีผู้ใดตอบหลอนมาและลำพังเสียงกู่ร้องจะช่วยอะไรได้แล้วพินก็เคยสอนไว้ด้วยว่าถาลงตาอย่า ก, กู่เสียงขึ้นเสียงสะท้อนของตนเองจะหลอกตัวให้ต้องเดินหลงผิดทิศทางออกไปอีกเว้นแต่จะรู้แน่ว่าเข้ามาในระยะที่ใกล้พักพวกแล้วเท่านั้น จึงจะกู่ให้เสียงขึ้นได้มิฉะนั้นจะมีแต่ภัยชั่วโมงที่สองหล่อนมาฟุบนอนพักเหนื่อยอยู่บนโขดหินจับไปด้วยตะไคร่น้ำก้อนหนึ่งความเหนื่อยทำให้สายตาเริ่มพร่าจะเ ล, เลี้ยวไปทางไหนก็เห็นแต่ลำต้นไม้ใบพืชเถาวันและก้อนหินเท่านั้น พระคุณเจ้าโกนทัญญะถ้าชีวิตลูกจะยังไม่ถึงคราวดับขันซะในครั้งนี้ได้โปรดช่วยลูกด้วยเถิดหลอนคลางเสียงแหบแหบขณะที่ใบหน้ายังซบอยู่กระท่อนแขนเช่นนั้นเป็นเวลานานที่หลอนซบหน้าหายใจรวยๆอยู่เช่นนั้นลำแสงตะวันบ่าย สองลอดกิ่งไม้มาจับอยู่ครึ่งกายท่อนบนและดูเหมือนจะมีลมโชยมาเอื่อยอ่อยเป็นระลอกช่วยทำให้แช่มชื้นขึ้นเล็กน้อยฉันสองสะบัดหน้าและเงยขึ้นแลไปเบื้องหน้าพบว่าป่าเริ่มโปรงขึ้นเล็กน้อยไม่ทึบหรือเต็มไปด้วยความอับชื้นเหมือนที่ผ่านมาแล้วภูมิประเทศ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 ร่างในชุดกะเหรียงโดงของใครคนหนึ่งมีแถบผ้าแดงคาดสีสะไรเฟินเก่าแก่โบราณแบบคานเวียงพาดอยู่กระตักนั่งอยู่ตรงตำแหน่งนั้นระยะมันห่างออกไปประมาณห0สิเมตรในมุมที่เฉียงต่ำลงไปจากสถานที่ซึ่งหลอนอยู่สูงกว่าดารินตะกายลุกขึ้นยืนทันที ตะโกนก้องออกไปสุดเสียงง่าย hey, <hey>, hey. ร่างนั้นถึงตายแล้วเกิดใหม่หลอนก็จำได้มันจะเป็นใครเป็นไม่ได้เป็นเด็ดขาดนอกจากเจ้าอาดีตองคารักโฉมงามประจำตัวของหล่อนขณะ ท, ที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้มันนั่งอยู่ในร่มไม้ ลักษณะร่างกายอันสูงใหญ่สง่างามได้ส่วนศัตว์อย่างชายชาตรีเป็นคุณลักษณะพิเศษประจำตัวที่สังเกตเห็นจาได้ง่ายที่สุดแม้จะระยะไกลถึงขนาดนี้การแต่งกายสภาพลักษณะท่าทีก็เหมือนเหมือนกับสมัยที่เคยมาเป็นคนใช้เดินดงของหลอนนั่นเองไม่ได้ผิดแผกไปเลยขณะที่หลอนยืนตะโกนเรียก และจ้องขำแหงอยู่ขนาดนี้ร่างนั้นยกมือข้างที่ไรเฟิลจุด44ทับ40ขึ้นเหนือสีสะัะแล้วโบกกวัดแกงช้าๆเป็นสัญญาณเรียกหล่อนดารินร้องเรียกอีกครั้งอย่างดีใจขีดสุดแล้วก็กระโดดลงจากโขดหินลูกนั้นแล่นทลาลงไปโดยเร็วลุลุกคลุกคลาน โซสัดโชเซ่เข้าไปลอนกลิ้งลุลุ้นไปตามพื้นกรวดที่เทลาดนั้นกระทั่งในที่สุดใบหน้าก็คามัามลงไปยังแอ่งน้ำใสสะอาดขนาดย่อมย่อมมันเป็นแอ่งน้าจริงๆอาจเป็นแหล่งน้ำที่พุกขึ้นมาเองอย่างแอ่งน้ำซับหรือมิฉะนั้นก็อาจจะเป็นบริเวณที่ลุ่มของดงแถบนั้นซึ่งเมื่อน้ำป่าเมื่อคืนไหลผ่านมาแล้วติดค้างขังเหลืออยู่ ก็ได้ความกระหายน้ำที่ลําคอแห้งเป็นผงทำให้ลอนกระเสือกกายจุ่มใบหน้าลงในแอ่งนั้นแล้วดูดน้ำกินลักษณะเดียวกับสัตว์ป่าพอดื่มเต็มกระหายก็เงยหน้าขึ้นในลักษณะที่ยังหอบอยู่นั้นบนก้อนหินใหญ่รูปนูนเหมือนหลังเต่าอันเป็นภาพแงซ้ายโบกปืนเรียกอยู่ ไม่มีร่องรอยอะไรสักอย่างไม่มีร่างของเจ้าอาดีตคนใช้ชาวดงอย่างที่หลอนเห็นเมื่อก่อนจะแล่นทลาลงมาเลยหลอนตะกรนเรียกน้มนั้นขึ้นอีกง้ไสยเงียบไม่มีเสียงตอบไม่มีสัญญาณร่องรอยใดๆว่าจะมีมนุษย์นั่งอยู่ตรงตำแหน่งที่หลอนห็น ดารินครางอะไรออกมาคำหนึ่งแล้วทรงกายลุกขึ้นพยายามเดินวนหาไปรอบๆหินก้อนนั้นและป่าหินเตี้ยบริเวณใกล้เคียงเธอหนีฉันไปแล้วเธอหายไปอีกแล้วหล่อนร้องขึ้นพร้อมกับเสออื่นที่ไม่อาจสะกดกลั้นไว้ได้ถูกละภาพนั้น เป็นภาพที่ลวงตาแน่ๆเป็นภาพที่หลอนวาดขึ้นมาเองแต่มันก็เป็นภาพที่ให้คุณเพราะอย่างน้อยก็ช่วยให้หลอนวิ่งมาจนพบแหล่งน้ำยามกระหายขีดสุดจนแทบจะหมดแรงเดินดารินข่มน้ำตาแล้วสลัดความผิดหวังเสียใจนั้นออกไปซะคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ ที่ภาพของแงซทายถูกบันดาลให้เห็นโดยอิทธิอำนาจของมหาฤาษีโกนธั ญ, ญะเพื่อจะให้หล่อนมาพบกระแหล่งน้ํายามที่หล่อนต้องการขีดสุดเพราะก่อนจะเงยขึ้นมาเห็นภาพนั้นหล่อนได้ภาวนาขอพรจากท่านถ้าจะเปรียบเทียบกระป่าดิบที่หล่อนพบตัวเองยามเมื่อฟื้นขึ้นมาสภาพป่า หรืออย่างน้อยบริเวณที่หล่อนมาพบเข้านี้ก็นับว่าปลอดโปร่งดีที่สุดเพราะไม่มีไม้ใหญ่ขึ้นบังเลยมันอยู่กลางที่โล่งบรรยากาศแม้จะเปรี้ยวอ้างว้างแต่ก็น่ารื่นรมพอสมควรไม่ห่างออกไปนักมีดงไผ่ถูกลมพัดเสียดสีกันปรากฏเสียงออดแอบ อ, อดแอดและมีเสียงนกเขาใหญ่อันมองไม่เห็นตัวขันคูขึ้นเป็นระยะระยะเป็นเสียงนกครั้งแรกที่หล่อนได้ยินนับแต่ฟื้นคืนสติขึ้นมาในวันนี้ถ้าหล่อนเป็นระพินไพรวันหรือหากมีเขาอยู่ด้วยในขณะนั้นเขาผู้นั้นจะทำยังไงต่อไป ในสภาพนี้หลนสมมุติตั้งคำถามตนเองแล้วก็ได้คำตอบในทันทีเหมือนกันราชาสกุลสาวตรงเข้าไปที่ป่าไผ่โดยเร็วชักมีดโบวิอันคมกริบและหนักนวงตัดปล้องไม้ไผ่ออกมาจากกอปล้องหนึ่งเลือกเอาขนาดที่ตัวเองจะสะพายไปได้ปลายด้านหนึ่งให้ติดข้อไว้อีกด้านหนึ่งเจาะเพียงให้เป็นรู สำหรับทางน้าไหลกรอกปากได้แล้วก็นำกระบอกไม้ไผ่สดที่ตัดมาท่อนขนาดเคืองกว่ากระบอกเข้าหลามมาตรฐานเล็กน้อยจุ่มลงไปในแอง่งบรรจุน้ำจนเต็มเพื่อแทนกระติกสำรองในการเดินทางต่อไปใช้เถาวันเส้นเล็กแต่เหนียวแน่นคล้องเป็นสายสาหรับสะพายไหลไวจากนั้นก็ทิ้งกายลงนั่งราบกับพื้นกรวดเม็ดเขื่อง หลังพินก้อนหินอย่างอ่อนใจสูดลมหายใจยาวลึกเสียงนกเขาใหญ่ที่ร้องอยู่บนยอดไผ่สูงยังครางครูเป็นจังหวะอยู่เช่นนั้นคลอมากระเสียงลมพัดใบไผ่เสียดสีกันเบาๆเป็นทำนองเพลงธรรมชาติและปะบนมากระเสียงของธรรมชาติไผ่พรึกนั้น ก็ดูเหมือนจะมีลีลาท่วงทํานองเสียงเพลงจากกระแสเสียงที่ทุมลึกแววมาว่าจูฮูฮุกกรูเขาคูคร่ำครวนจูฮูฮุกกรูเจ้าร้างนวลโศกส่วนศบเสา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 ระพิ น, พนแล้วหล่อนก็ร้องไห้สออกสอืนหน้าซบอยู่กับฝ่ามือที่วางอยู่บนเขา่าร่างกายสั่นเทิมไปหมดสอื่นสอืนจนตัวโยนเธออยู่ไหนระพินเธออยู่ไหนฉันหมดแร ง, แรงสิ้นหวังแล้ว